เป็นของทนไ้อยากลำบากนี้จตภัยพิบัติอันตรายเพราะ น, นั้นทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจต้องให้เข้าใจว่าตอนนี้เรามีโอกาสเต็มที่สำหรับที่จะทำคุณงามความดี เราจะทำคุณงามความดีก็ยังพอได้อยู่มัจจุราชคือความตายมัจจุราชคือความตายมันก็ยังเปิดโอกาสให้โยดังนั้นเมื่อเขาเปิดโอกาสให้อย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะไปนิ่งนอนใจเราต้องกระทำในใจโดยอบายแยกภาย เนีย่ยวสอนใจเตือนใจของตนให้ตื่นอยู่ให้รู้ว่าธาตุสี่ขันห้านี้มันจะแตกกระดับไม่ใช่เป็นของยั่งยืนอะไรเตือนใจของตนให้นึกได้อยู่อย่างนี้เสมออย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต ชีวิตของคนสมัยนี้มีน้อยนักน้อยหนาดังนั้นนะเราต้องรีบเร่งขอนขวายสั่งสมบุญกุศลให้เต็มความสามารถเสียก่อนตายมเมื่อเราได้สั่งสมบุญกุศลให้เต็มที่แล้วความตายมาถึงมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรดอก เหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกลต่างๆเวลามันยังใหม่อยู่ยังมีกำลังดีก็ใช้มันเป็นยานพาหนะนำไปสู่ที่โน้นที่นี้เมื่อใช้มัน้งมาเข้าไปแล้วมันชําลดซุดโทมไปแล้วมันก็ก็ต้องทิ้งมันเจ้าของจะหาเสียดายไหมเพราะมันสุดโทมแล้ว เครื่องต่างๆมันหลวมไปแล้วแต่อันี้มันมันไม่มีกำลังบรรทุกได้เท่าที่ควรนะร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นกับเครื่องยนต์นกลไกต่างๆนั่นเองนะเราได้อาศัยร่างกายนี่มานานสำหรับคนที่มีอายุสั้นนี่นะก็ว่านานเลยคนละห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปี 80สิบปีหมู่นี้นะถือว่านานแต่ถ้าในสมัยที่คนมีอายุยืนตั้งเป็นหมื่นปีสองหมื่นปีขึ้นไปนั่นไม่ได้ถือว่ามันานานเลยขนาดร้อยปีเนี่ยมีพระสององค์หนึ่งในขั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากษัตริ นับถือกันองหนึ่งอาวุโสกว่าองหนึ่งอ่อนกว่าก็นับถือเป็นครูบาอาจารย์ไม่เคยทะเลาะบกแว่งอะไรกันมาในต่อมาด้มีพระนักเทศองหนึ่งเดินทางไปพักอยู่วัดนั้นแล้วพิจารณาเห็นว่าวัดนั้นมีคนขึ้นมาก นับถือมากราั ก, การะก็ อ, อุดมสมบูรณ์พระ อ, องค์นั้นพระนักเทศ อ, องค์นั้นก็คิดอยากเป็นใหญ่อยากเป็นเจ้าอาวาสในวัดนั้นแตจึงหาอุบายยุยงให้พระสององค์นั้นทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปคนละทิศทางกันไม่ไปร่วมกันเลย ร้อยปีจึงได้ไปพบกันนะแห่งหนึ่งนเรื่อนี้เมื่อไปพบกันแล้วก็จึงสอบถามกันว่าท่านได้ทำหนี้เตียนผมอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรอไม่ผมไม่ได้ทำหนี้อะไรเลยผู้ผู้นี้ก็ถามท่านได้ยกโทษผมอย่างนั้นอย่างนี้เหรือไม่อา้าวถ้าอย่างนั้นก็พระพร นักเทศองค์นั้นสิมายุให้พวกเราแตกจากกันเช่นนี้มาเรามาพากันไปกลับไปวัดเดิมไปไล่พระองค์นั่นหนีก็จ <c oughs> ึงได้พากันเดินทางกลับมาวัดเดิมแล้วมาไล่พระองค์นั่นหนีไปเอไปอยู่วัดเดิมนั้นตามตามเคยเ <c oughs> นี่ยสมัยคนมีอายุอื่นดูที่ ทะเลาะกันแล้วหนีจากการไปได้ร้อยปีแล้วนะจึงได้ไปพบกันนะนั่นแหละคนสมัยนั้นนะอายุยืนตั้งสองหมื่นปีดังนั้นนะไอพวกเราที่เกิดมาในยุคนี้นะเที่ยวหนึ่งก็ไม่เท่าอายุของท่านเหล่านั้นแล้วเราจะมาเพลิดเพลินัมเมาอะไร กับรูปกายอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนนี้สอนตนเข้าไปให้สำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เมื่อมันมีอุบายสอนใจได้อย่างนี้นะใจมันก็คลายความอยากความปรารถนาอะไรในโลกนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าใจนี้นะเราจะไปกำหนด ละกิเลสเอาดื้อๆ อ, อย่างนี้จะให้มันละไปเนี่มันไม่มีทางอืเก็ต้องมีอุบายต้องรู้จักสอนตนเป็นคนเรานะผู้ใดสอนตนไม่เป็นละกิเลสไม่ได้ออืคนเป็นอย่างนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะออกบวชพระองค์ก็ทรงพระดําริ ถึงอายุสังขารของคนเรามีน้อยเหลือเกินอย่างนี้สมัยนั้นมีร้อยปีเป็นอายุไขทรงพระดำริในพระไทยทำอย่างไรเราถึงจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้อย่างนี้นะบังเอิญวันหนึ่งไปพระเดชไปชมสวนอุทยาน พร้อมด้วยบริษัทบริวารในตำราท่านกล่าวว่าเทวดาเขามานิรมิตรให้ให้ไปเห็นเด็กอ่อนนอนอยู่บนเบาะ น, นั้นก็ถามนายสาร ถ, ถีว่านั่นคือใครนายสาร ถ, ถีก็อว่านั่นคือเด็กอ่อนเพิ่งแรกเกิดช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่น เป็นอยู่เออนี่เราแต่เมื่อเป็นเด็กอ่อนก็จะเป็นอย่างนี้แต่เมัง่งเป็นอย่างนี้และ ว, ว, วพระเจ้าข้าขั้นไปไปเทวดาผเนิมิตเป็นคนแก่กว่านี้นะคนแก่งอมหลังโกงผมงอกฟันหลุดอะไรต่ออะไรเดินถือไม่เท่าคอมเกะ๊ะคอมเก๊ะไปนั่นคือคือใครใน่า สารตีก็ทูว่านั่นคือคนแก่คนแก่นี่เมื่ออายุอยู่มานานปีนานเดินเข้าไปแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละอ้นเอา้าถ้าอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างเหมือนกับคนแก่นี่มึงแน่นอนเนี่ยทั้งข้าพระองค์ทั้งพระองค์ทั้งคนในโลกอันนี้เนะเป็นเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยแล้วอือก็ทรงพระดํำริแล้วเกิด ค, ความเกิด ค, ความสังเวชตรุดพระไทย ในพอไปไปอีกวันนี้ก็ไปเห็นคนตายเป็นคนตายที่แรกก็ขึ้นอืดเน่าน้ำเหลืองไหลต่อไปมันก็กลายเป็นซากเหลือแต่กระดูกเข้าไปอันนั้นใครอันนั้นคือคนตายเออนี่เราก็จะตายเหมือนกันนะวะแน่นอนใครๆก็ตายหมดแหละ เกิดมาแล้วเมื่อหมดปุลนหมดวา ส, สนาแล้วกว็าตายอยา่งั้นพระองค์จึงเกิดความสังเวชสะลดใจว่าทำอย่างไรหนูเราจึงจะพ้นจากความเกิดแก่จิบตายนี้เมื่อไปชมสวนอุทยานทรงพระดาเนินไปไปอา้าวเทวดามาเนมิตรเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนั่งสมาธ่อยู่ใต้ล่มไม้ ก็ทรงเห็นเขาแล้วก็อ้อบันปะชิตนี่ดูมีความเป็นอยู่สงบระงับจริงหนออย่างนี้แม้เราถ้าเราถือเอาเพศบันปะชิตนี้อย่างนี้นี่ก็เห็นจะมีความสุขเห็นจะสวงหาวนทางข้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ทรงดำริเช่นนี้แล้วก็กสักชวนบริสัะบริวารกลับพระนคร กลับพระราชวังอพอกลับไปถึงแล้วก็ทรงพระดำริที่จะออกบวชพ อ, อได้เวลาพระองค์ก็เสด็จออกบวชไปอันนี้แหลพะพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวอย่างคือว่าพระองค์จะต้องดำริสอนพระองค์อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อพระองค์สอนพระองค์ได้อย่างนั้นแล้ว พวะองค์ก็ไม่ห่วงใยงอะไรเลยสาระราชสมบัติออกไปบวชได้อย่างนี้เราผู้เป็นชาวพุทธแล้วก็ต้องนึกถึงพระประวัติของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเตือนใจของเราเราทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคนทุกวันนี้อายุสั้นนะแล้วเราจะเพลิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรอ่ะ ถ้าเพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มันก็ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้อืมเสียเวลาเปล่าๆคนเกิดมาส่วนมากมักจะเสียเวลาไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลมัวแต่เพลิดเพลินมัวเมาอยู่ในกามคุณอยู่ในลาบในยศทนะเตร์นในความสุขต่างๆในโลกอเป็นอย่างนั้น ไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาที่จะได้ฝึกผนจิตใจของตนให้สงบระ ง, งับจากกิเลสตัณหานี่เหตุนั้นมันจึงได้เนินชามันจึงนานพ้นทุกข์คนเรานะ่ะจึงได้เที่ยวตายทเที่ยวเกิดอยู่ในโลกนี่คนานานนับไม่ถ้วนเลยกลัวว่าบุญบา ร, รมีจะเต็ม ไอ้ผู้มัวมัวประมาทยิ่งท่องเที่ยวไปนานหลายกลับหลายกันผู้มัวมัวประมาททำบาปทำกรรมใส่ตัวเองแล้วตายแล้วก็ไปไม่อยู่ในนรกอบายภูมิได้นทนทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้ในระยะที่ตกนรกหมกไปนั้นไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไรมีแต่ความทุกข์ครอบงำจิตใจ โยอย่างนั้นเวลาไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ใดๆสานหมุนก็นลองสังเกตด้วยมันไม่ได้ทำความดีอะไรเลยนี่เกิดมาแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในการมคุณเหมือกินกับนอนไปเท่านั้นถึงเวลาตายก็ตายไปตายไปแล้วมันก็วนเวียนมาเกิดอีก ย่อย่างนั้นแหละเพราะอุปทานมันมีมีแต่คนเราเนี่แหละยังวาที่เมื่อเกิดมาได้มาพบพุทธศาสนาแล้วได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้มีบุญวาสนาได้สั่งสมมาแต่ก่อนก็เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีลงความเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้านี่ เป็นสั จ, จะธรรมเป็นธรรมของกิ n งโดยแท้ควรเชื่อควรนับถือควรปฏิบัติตามนี่ผู้มีบุญทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ยอมเข้าใจอย่างนั้นก็จึงยินดีประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาที่พระองค์เจ้าทรงบำเพ็ญมาเช่นผู้มีบุญวัฒนาบารมีเขกล้าก็ได้ถอนตัวออกจากครองจากการครองเรือน เอามาบวชเป็นภิกษุบ้างเป็นสามมณีบ้างเป็นชีพระเขาบ้างออืผู้หญิงมันจะบวชเป็นพระภิกษุนี้ก็ไม่ได้เนื่องจากว่าหมดยุคหมดสมัยไปแล้วไม่มีนางภิกษุณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เหลือแต่ภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนานี่ปฏิบัติสืบต่อศาสนามาส่วนนางภิกษุณีนั่นน่ะเข้าใจว่าสาบสูญไปตั้งแต่เมื่อพระองค์ปณินธานมาแล้วหรือก่อนปรนิิธานเพราะในข่าวที่พระองค์ปริธานนั่นน่ะในตำราไม่ไม่ปาลาดลถึงนางภิกษุณีเลยว่า นางพิษุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้มากราบพระศพของพระ อ, องค์อย่างนี้ก็ไม่มีในตำราเลยแสดงว่านางพิษุณีเนี่ยหลังงรับไปแล้วแต่ก่อนพระ อ, องค์กรณีผ่านดังนั้นผู้มีศรัทธาในการต่อมานี่จึงว่าได้มาเพียงจะบวชเป็นชีประเขา สมทานปินแปดรักษาไปปฏิบัติไปก็ไม่เห็นมันขัดข้องอะไรเมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้วปฏิบัติไปมันก็ทำกิเลสไทยน้อยเบาบางได้เหมือนกันข้อสำคัญมันอยู่ที่การทำความเพียรการสำรวมจิตใจของตนเสมอไม่ให้ใจมันหลงไหลไปกับอารมณ์ ที่เคยยึดเคยถือเคยรักเคยชังอะไรมาแต่ก่อนไม่ให้มันหวนกลับไปในเรื่องเช่นนั้นมีสติสมปติัญญะสำรวมจิตอยู่ในปัจจุบันเลื่อยไปโดยลาดับเอาปัจจุบันเป็นหลักเลยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขกันในปัจจุบันนี้ละอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ขาดไปเลยอย่างนั้น ก็ขอให้พากันเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรหนักหนาถ้าเรารู้จักวิธีแล้วเมื่อจิตใจมันเผลอมันไปยึดอารมณ์ใะไเรื่องอะไรไว้รู้ตัวแล้วก็กำหนดเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วก็กำหนดละไปพร้อมเลยไม่ส่งเสริมความคิดอัน ผิดพลาดต่งางๆนานาหมดนั้นะไม่ส่งเสริมมันกําหนดใจหายใจเข้ากําหนดละมันไปหายใจออกกําหนดละอารมณ์เหล่า น, นั้นเรื่อยเช่นนี้มันมันจะทนอยู่ได้ยังไงอ่ะนั่นแหละในสุดอารมณ์ต่างๆที่จิตหลงยึดถือมันก็ดับไปมันก็หายไปเส่านั้นเองเลยก็ยังเหลือแต่ความรู้กับสติ ตังมั่นอยู่ในปัจจุบันเอออย่างนี้แหละเรียกว่าเราหาวิธีระงับกิเลสอย่างกระทัดรัดไม่อ้อมค้อม อ, อันเรื่องพวกนี้เนะี่ยผู้ใดกระทำลงไปพูนั้นแ่ะรู้เองเห็นเองขึ้นมาเลยผู้ใดไม่ทำไม่รู้คือหมายความว่า จิตใจของเรานั้นได้มีความเชื่อเรื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเต็มที่แล้วแล้วก็เราก็ได้บำเพ็ญคุณธรรมต่างๆให้บังเกิดขึ้นในใจมาโดยลาดับเช่นความเพียรความอดทนหนีรีโอตประธรรมหมู่นี้นะแล้วความเป็นผู้ ฝึกษษษสติสมบัติัญญาให้แก่กล้าขึ้นในตนเมื่อมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วแต่บางทีนะ่ะใจมันประมาทขึ้นมามันเผลอมันไม่ได้กําหนดใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้มันก็เผลอไปยึดมั่นในอารมณ์ภายนอกเรื่องภายนอกเข้ามาเป็น สร้ามเป็นข่าวาเมื่อเรามีฐานที่ตั้งมั่นคงอยู่แล้วอย่างนี้มันเผลอไปหน่อยหนึ่งมากําหนดสมาธิให้ตั้งขึ้นแล้วพอพิจารณาเรื่องนั้นแล้วละมันไปเลยมันก็ไม่ลําบากเท่าไรละไปมันก็ดับไปบุคคลผู้ที่ละกิเลสยากลําบากอันนั้นเนื่องจากว่าไม่มีฐานที่ตั้งอันมั่นคง อยู่ในใจฐานอันนั้นก็คือสมาธินั่นแหละและคุณธรรมต่างๆดังกล่าวมานี่ไม่ได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นในตนเป็นอย่างนั้นเช่นความอดความทนอย่างนี้นะไม่ได้สร้างให้เกิดมีในตนผู้ใดไม่สร้างความอดความทนให้เกิดมีในตนเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาจิตใจมันก็ปลิวไปเลย วันไว้ไปเลยสมาธิอดทนนั่นแหละแสดงว่าขาดความยั่งคิดขาดขาดความอดทนขาดวิจารณญาณเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีฐานที่ตั้งของจิตมั่นคงจิตตั้งมั่นลงแล้วหากว่ามันเผลอไปในเรื่องใด เราก็กาหนดเรื่องนั่นมาพิจารณาเอาจนให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นแจ้งเรื่องนั้นตามเป็นจริงอยู่แล้วเวลามันเผลออีกกาหนดพิจารณามันก็เห็นแจ้งไปทางเดียวนั้นมันก็ละมันก็วางเรื่องต่างๆเหล่านั้นได้เพราะว่ามันเคยพิจารณาบ่อย มันเห็นแจ้งในเรื่องนั้นอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะแต่เห็นแจ้งนะแต่มันก็ยังละให้ขาดไม่ได้เช่นนี้เพราะฉะนั้นเวลาเผลอไปก็ต้องกําหนดพิจารณาดำเนินตามทางเดิมนั่นแหละคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหมดนั้นแล้วล้วนแต่มีแปรโรวนแตกดับไปไม่มีอะไรคงที่ทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นนาม แต่นี่ก็เคยพูดมาบ่อยๆ อ, อยู่แล้วนามธรรมคือเวทนาความสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความจำหมายจำรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสสังขารความคิดความปรุงแต่งไปในรูปเสียงกลิ่นลดปิญญาณความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ความรู้สึกในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งๆหมดนั้นนะ่นอันหมู่นี้แหละมันล้วนแต่แวดล้อมอยู่ในตัวของตัวนี้ทั้งหมดเลยให้ตาอย่างนี้เราจะห้ามไม่ให้ดูรูปนี้ก็ไม่ได้ห้ามไม่มันเห็นรูปก็จะรับอยู่ตลอดเวลาจะได้ที่ไหนอะ่ะมันก็ต้องลืมตาอยู่เนี่ยมันก็ต้องเห็นอืม หูอย่างนี้มันก็เปิดรับเสียงอยู่อย่างนั้นจมูกมันก็เปิดรับกลิ่นอยู่อย่างนั้นลิ้นมันก็เปิดรับรสอาหารอยู่อย่างนั้นรา่างกายอันนี้มันก็เปิดรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่อย่างนั้นใจมันก็เปิดรับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตาเป็นต้นอยู่อย่างนั้นเนี่ยลองสังเกตลองพิจารณาดูให้ดี ความันถักเป็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณากระจายออกไปหเห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่านั่ น, นี่เห็นลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจมแจ้งอยู่ในใจเสมอองนี้อะไรมาสัมผัสถูกต้องตาเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนะั้นมันก็มันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกระยะทุกระยะไปเลย มันไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตวเ์เป็นบุคคลอะไรนี่แหละเมื่อเราฝึกจิตเนี่ยให้มันเกิดความชานิชำนานในสัจธรรมคือความจริงคือธรรมของจริงจริงโดยสมมติจริงโดยปรามัิอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงแล้วว่านี้นะ นะอันคําว่าสัตว์วัุคลก็เป็นในเพียงสมมุติมันก็รู้อย่างนี้นะท่านน้อมันแตกสลายออกจากกันไปแล้วคําว่าคนวัตถก็ไม่มีมันก็กลายเป็นสภาวะธาตุไปเช่นนั้นเมื่อเมื่อจิตรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วไม่ถือมั่น้วยอุปท า, านจิตไม่หวนไหวไปตาม เรื่องที่มาสัมผัสถูกต้องตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นความรู้ความเห็นนั้นท่านเรียกว่าเป็นปรมัตถะตัจจ์เป็นความจริงอย่างยิ่งนี่นะจริงใจอะใจรู้จริงแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรเลยถ้ามันยังไม่รู้อะไรมันก็ยึดถือมันเป็นอย่างนั้นเรืองมา น, นะถ้าปัญญาพิจารณาเห็นแจ่มแจ้งจนหายสงสัยแล้ว มันก็ไม่ยึดถือเห็นก็สักว่าแต่เห็นไปอย่างนั้นเนี่ยได้ยินเสียงก็สักว่าแต่ได้ยินได้สูดได้สูดกลิ่นหอ ม, ห, อมหรือกลิ่นเหม็นก็ดีก็สักแต่ว่า น, นี่ลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยก็สักแต่ว่ากายได้สัมผัสกยนร้อนอ่อนแข็งก็สักแต่ว่า ใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็สักแต่ว่ารู้รับรู้รับรู้เฉยๆแต่ไม่ยึดถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่มาสัมผัสจิตใจนั้นเราฝึกจิตใจเอาให้มันยั่งเข้าไปถึงสัจธรรมอย่างที่ว่าแล้วนะนนเมื่อจิตมันรู้จริงแล้วมันไม่ยึดถือหรอกทุกสิ่งทุกอย่าง น, ะ น, นี่ เมื่อมันจริงใจมีญาณความรู้ปรากฏอยู่ในใจตลอดเวลาเช่นนี้แล้วเนี่ยมันไม่ยึดถืออะไรแล้วเห็นกว่าสักว่าใจเห็นไปเฉยๆอย่างนั้นเน่ยมันไม่กระทบกระเทือนทาง จ, จิตใจความรู้สึกทางจิตใจไม่ตื่นเต้นไม่วันไว้เราฝึ ก, กจิตใจเอาให้ลงถึงนั้นให้ได้อย่าพากันย่อท้อ พอไหนๆเราก็จะต้องได้ฝึกจิตใจนี่อยู่นี่แหละแม้จะไปเกิดพบในชาติใดธรรมะคําสอนพระเจ้าก็เตือนใจให้ฝึกตนให้ละอุปทานความยึดผั่นถือมั่นต่างๆอย่างนี้นะอืถ้าก็เราไม่ทําความเพียรไม่สอนตนให้ละอุปทานอย่างที่ว่านั่นมันก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่แหละ บางทีหลงไปก็ไปทำชั่วตายแล้วก็ไปตกนรกมันไม่แน่นอนเลยชีวิตของคนธรรมดาสามัญะเลี้ยนเสียแต่พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนั่นพระโสดาบันเมื่อท่านได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ปิดประตูอบายภมทั้งสี่ได้เลยอ่เป็นนิยตโตบุคคลนั่นเอง เป็นบุคคลที่เที่ยงจะหมุนเข้าไปสู่พระนิพพานโดยตรงไม่ไปที่อื่นเลยเป็นอย่างนั้นให้คนธรรมดาสามานี่จิตใจยังไม่แน่นอนเลยความเชื่อก็ยังไม่มั่นคงในพระศาสนาไกลท่านจึงให้นามว่าอนิยตโตบุคคลแปลว่าบุคคลที่ไม่แน่นอนหมายถึงจิตใจสามารถกรอบกรอกได้ คุ้มดีคุ้มร้ายอย่างนี้นะให้กับข้อเหตุนั้นคนธรรมนาสามัญคนนี้จึงเป็นทุกข์มากนั่นแหละจึงได้รับความทุกข์มากอย่างเช่นผู้ครองเรือนทั้งหลายนั่นนะการงานรัดถูกมัดรัดตึงเข้าไปเงินทองไม่พอใช้พอจ่ายติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลัง ทาวนี้เอาแล้วผัวกระโทษเมียเมียกระโทษผัวเข้าไปอย่างนี้ในสุดก็ยอย่าร่างกันไปก็มีบางทีก็ฆ่ากันตายก็มีนั่นมันเป็นทุกข์แหละนั่นพูดถึงความทุกข์ความทุกข์ของจิตใจนเนื่องว่าเนื่องจากว่าใจไม่ภาวนาไม่รู้แจ้งความจริงของโลกนี้ตามเป็นจริงถ้ารู้จริงโดยเอกเทศนี่มันก็ไม่ เป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นพระโสะดาบันท่านก็ครองเรือนอยู่ในครั้งบริเจ้ามีเยอะแยะเลยท่านรู้่าบุญคุณโทษรู้ว่าสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำรู้ว่าสิ่งนี้ควรพูดไม่ควรพูดก็รู้ท่านก็สิ่งใดเห็นว่าไม่ควรพูดก็ไม่พูดแล้วสิ่งใดเห็นว่าไม่ควรทาก็ไม่ทำ ลงมือทาลงมือพูดตั้งแต่พิจารณาเห็นแล้วว่าควรไม่มีโทษเท่านั้นเช่นนี้แหละพระโสดาบันท่านจึงว่าไม่ไปสู่นรกอบายภิก็เพราะเหตุว่าท่านมีสติมีปัญญารักษาตนให้เป็นผู้หมดจดจากบาปธรรมกรรมันชั่วตลอดชีวิตเลยเป็นอย่างนั้น ไอ้พวกเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปให้เดินตามทางของพระโสดาบันนั่นเองเนี่ยนั่นแหละถ้าไม่ปฏิบัติไปซะก่อนฉะนั้นจะได้เป็นพระโสดาบันไอ้ที่ท่านได้เป็นโสดาบันเหมือนั้นท่านก็ได้ปฏิบัติได้ฟังทำคําสอนมุริเจ้า แล้วพุทธเจ้าตรัสว่าขันห้าไม่มีในเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นขันห้าอย่างนี้น ะ, ะเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยก็วางนี่ไม่ถือมัน่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาความโลภโกรลงอะไรมันก็วางวางลงไปอย่างนี้แหละ ถ้าบุคคลไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รักษาศินห้าอย่างว่านี่ไปแล้วมิแต่บาปอยู่ในหัวใจมันก็มันก็ไม่ได้บรรลุแล้วมันจะบรรลุได้อย่างไรอ่ะอบาปครอบงาจิตใจเศร้ามองขุนมัวไปแล้วเพราะฉะนั้นเลยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจต่อพฤทธปฏิบัติไป อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละถ้าเราไม่รีบเร่งปฏิบัติทำความเพียรในชาตินี้แม้ในชาติต่อไปก็ต้องได้ทําความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่เช่นนั้นก็พ้นทุกไปไม่ได้นั่นแหะชาติใดเกิดมาแล้วมัวเมาประมาทมากกว่าการฝึกฝนอารมณ์ตนอย่างนี้นะฝึกฝนอารมตนแต่น้อยแลวะวบบนี้มัวเมาประมาทมาก มันก็มีความสุขแต่น้อยเท่านี้นอกนั้นก็เป็นทุกข์ส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคนเราเหตุที่มันจะนานทนทุกข์ไปได้มันจึงได้เกิดมาแล้วมาบีเปลี่ยนกันอยู่ในโลกอันนี้ผูกเวรจองเวรจองกรรมกัน อ, อันผูกเวรกันนี่แหละเอา้าเกิดไปชาติหน้าไปเจอกันเข้าอีกก็ไปทําลายล้างฐานกันอีกตายแล้วตายเล่า ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในในรกอบายภพก่กนนานแสนนานคนจากนรกมาแล้วผลมาเบียดเวียนกันเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วแทนที่จะได้สร้างกุศลคุณงามความดีบุญกุศลนนหลังมาตกแต่งให้มีสติปัญญาหาเงินหาทองได้มาแล้วผลมาเกิดความโลภขึ้นในใจได้เท่านี้ยังไม่พออยากจะได้มันหลายกว่านี้ขึ้นไปอีก เราเนี้เมื่อแสวงหาในทางสุจริตใไไดๆก็เอาทางสุจริตใช้อํานาจเงินเป็นใหญ่อย่างนี้แหละเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเข้ า, เ, าเขาก็พยายามดีแ ล, แล้ววันนี้เขาถูกเบียดเบียนนะเขาไดชา้ช่องได้โอกาสเขากด ต, ตอบแก้แค้นตอบแทนกันออตายลงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือตายทั้งสองฝ่ายเข้าไป ในที่สุดไม่มีใครได้ดิบได้ดีไม่มีใครมีความสุขความเจริญอะไรเลยด้วยอำนาจของกิเลสมันคุกหามชีวิตอันนี้นี่ลนะบุคคลผู้ที่ไม่เห็นโทษของกิเลสไม่หันหน้าเข้าสู่วัตวาศา ส, าสานาไม่ฝึกฝนอบรมตนก็มีแต่ได้ประสบความทุกข์ทนทรมานทั้งในโลกนี้โลกหน้าต่อไปเราก็เห็นกันอยู่ด่าดื่นนี่แหละ เพราะนั้นผู้ใดได้รู้ตัวอย่างว่านี่แล้วก็เอาตั้งใจลงว่าพึ่งปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วก็คงจะได้หมดบาปหมดกรรมออกจา ก, กจิตใจของตนไปได้คนเรามันมายากอยู่กับบาปกรรมนี่แหละมันมาทวงชีวิตให้เป็นทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้หรือย ม, มโลกโลกแห่งพยายม นั่นอืมถ้าบุคคลใดละกลมชั่วไปหมดเสร็จแล้วอย่างนี้นะตั้งหน้าทําแต่ความดีไปอย่างบุญกุศลมันก็จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทําความดีให้ให้ถึงให้สูงให้ถึงข้อสุดท้ายคือการภาวนาเมื่อได้ถึงขั้นภาวนาไปแล้วเช่นนี้แล้วก็เป็นอันว่ารวบรวมเอาบุญเอากุศลเอาคุณ อันบเสดต่างๆไว้ในใจได้เลยก็ได้ตั้งแต่บุญแต่คุณแล้ววันนี้บาปไม่ได้ถึงว่าชาตินี้บุญบารมียังไม่เต็มมนุ ม, นมกคผลที่ผ่านยังไม่ได้ชาติต่อไปบุญกุศลกด็ดลบรรดาให้ไปเกิดในสถานที่มีผู้เนะนํำสั่งสอนในทางศีลทางธรรมได้พบนักปาาบัณริตเข้า นักปราชญ์ท่านก็นชักจูงให้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนอย่างที่เราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้แหละไอ้ผู้มีบุญวัสนาที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนเมื่อก็รนบรรดาให้มีจิตคิดอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะพ้นทุกข์ภายในสงสารนี้จึงได้หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนา รหรับทมคำสอนพระพุทธเจ้าจนว่าเกิดสติเกิดปัญญายานความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อันนี้จะทำชีวิตของเราให้เป็นแก่นสารมีความสุขไปตลอดกาลนานดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้